พระธรรมเทศนาแผ่นที่62ลำดับที่8โดยหลวงพ่ออินทวายสันตุสโกวัดป่านาคำน้อยจังหวัดอุดรธานีแสดงธรรมเมื่อวันที่12กรกฎาคม2557มีชื่อเรื่องว่าอยู่ร่วมกันแบบญาติธรรมวันนี้เป็นวันที่12สอง รกรกฎาคมพุทธศักราช2557วันนี้เป็นวันเข้าพรรษาในวัดของเราเวลานี้เป็นเวลา5โมง50นา ท, ทีที่พวกเราจะอธิษฐานพรรษาตอนเย็นวันนี้เดี๋พระทั้งหมดที่จะจำพรรษาที่จะอธิษฐานพรรษาในขณะนี้ ทั้งหมดมีอยู่3 5รปูปแล้วก็ที่พระพวกเราส่งไปจำพรรษาอาเภอเพนที่ท่านจานร์รัตนะท่านรัตนะเป็นหัวหน้าอันนั้นพระไปจำพรรษาหกรปูปแล้วก็ที่ไปวัดท่านหน่อยที่เราส่งไปก็สองรูปก็วัดรูปหนึ่งก็ใช่เพราะท่านนั่นน่ะกองหนึ่งก็เป็นของท่านรัตของท่านหน่อยเอง รวมแล้วก็พระจำพรรษาวัดท่านหน่อย5้ารปูปทำไมเราจึงให้ความสนใจเพราะเราเรียกอ า, อาจารย์นหน่อย่วยสวกมาใช้งานทั้งสองปีเราก็น่าเห็นใจท่านก็ขาดการดูแลวัดของท่านพอสมควรอยู่แต่หลวงพ่อก็คิดว่าวัดของท่านยังน้อยอยู่คนยังไม่มากเท่าไรหร่ต่อไปภายภาคหน้าก็ยังคอยว่ากันแต่วัดของเราเนี่ยรู้สึกว่าถ้าหากว่าไม่ พัฒนาทางด้านวัตถุขึ้นมาไม่ทันกับประชาชนที่มาเกี่ยวข้องก็จะได้รับความลำบากพอสมควรเพราะนั้นหลวงพ่อจึงได้ดึงท่านหน่อยเข้ามาช่วยงานแต่ใครคิดว่าคงไม่นานก็คงจะสมบูรณ์บริบูรณ์และก็จบแล้วละ่ะเราจะสร้างเตลดเิดเปิดเปิงไปจนไม่มีที่สิน้นสุด น, นั้นก็ไม่น่าจะถูกนะอ่า แล้วก็วันนี้เป็นวันอธิษฐานพรรษาขอให้พวกเราทุกๆองค์ทัทททงง้งพระใหม่พระเก่าโดยเฉพาะย่างยิ่งพระใหม่ที่ยังไม่เคยจำพรรษายังไม่เคยแล้วก็เพิ่งบวชเข้ามาศึกษาในหลักธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าเข้ามาศึกษาในปฏิปทาของพระพุทธศาสนาในสายวัดป่า คือสายหลวงปู่มั่นที่พ่อแม่ครูบาอาจารย์พาดำเนินขณะที่ก็มีผมหลวงพ่ออินเป็นหัวหน้าที่พาหมูนะ่คณะอยู่จำพรรษาแต่ผมเองผมก็มั่นใจในแนวปฏิปทาเพราะผมเคยอยู่กับพ่อแม่ครูบาอาจารย์มาตั้งแต่ไหนแต่ไร จนถึงอายุปูนนี้แหละอายุเข้า70ปีแล้วพรรษาพระก็49ปีพรรษาเนนอีก8รวมกันแล้วก็50กว่าปีที่ฝังตัวไว้ในพระพุทธศาสนาเพราะนั้นเพราะเหตุนั้นผมจึงพานำหมู่คณะแนวปฏิปทาหรือว่ายึดตามแนวแถวพ่อแม่ครูบาอาจารย์พาดำเนินมาอย่างไร ผมเองก็พาหมู่คณะพาเดินแนวแถวปฏิปทา น, น้นๆแต่ถึงอย่างไรก็ตามในพรรษาที่จะอยู่อธิษฐานในเร็ววันนี้ก็ขอให้หมู่พวกเพื่อนทุกองให้มีขันติคือความอดทนอดทนอดกลัน้นเพราะว่าการอยู่ด้วยกันถึงสามสิบห้าชีวิตสามสิบห้าแนวความคิด สามสิบห้าการเป็นอยู่แล้วก็อาชีพของพวกเราถึงจะอยู่ในพื้นแผ่นดินไทยอันเดียวกันแต่ต่างตระกูลต่างครอบครัวต่างวิชาอาชีพเข้ามาบวชในพระพุทธศาสนาจะให้มันเหมือนกันเป็นไปไม่ได้เพราะนั้นขอให้พวกเราทุกสิ่งทุกอย่างให้พวกเราอ่านทะลุอ่านให้ออก ว่าพวกเราท่านทั้งหลายต่างมาอยู่ด้วยกันต่างวิชาอาชีพยอย่างที่ผมผมได้กล่าวแต่ถึงยังไงก็ตามจะให้แยกได้อย่างใจเราอยากจะให้เป็นอย่างใจเราอยากจะให้เป็นต่างตามแนวแถวความคิดของเราพระทุกองคอยากจะให้เป็นอย่างใจตัวเองทั้ง35องค์เนี่ยหลวงพ่อว่าก็คงจะมากหลากหลาย แต่ถึงยังไงเมื่อเราเข้ามาบวชแล้วเราก็หล่อหลอมให้เป็นหนึ่งเดียวคือให้ปฏิบัติตนให้ถูกต้องตามหลักพระธรรมวินยัยต่อหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าท่านสอนอย่างไรหลักพระธรรมวินยัยท่านบัญญัติอย่างไรพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่หลวงพ่อพาพวกเราท่านทั้งหลายปฏิบัติเนี่ย ท่านจะพาดำเนินอย่างไรแต่ถ้าว่าพวกเราท่านทั้งหลายรู้ว่าหลวงพ่อพาดำเนินนั้นผิดที่ผิดทางผิดหลักพระธรรมวินยัยไม่ชอบมาพาคนาพวกเราก็พร้อมที่จะทวงติง่งได้แต่ถ้าหากว่าอยู่ในหลักพระธรรมวินยัยพวกเราก็ต้องเดินตามพวกเราท่านทั้งหลายก็เหมือนกัน ที่เข้ามาอยู่สู่วัดวาศาสนาพวกท่านเป็นฆราวาสเป็นฆราวาสญาติโยมจะให้รู้หมดทุกสิ่งทุกอย่างก็คงเป็นไปไม่ได้เพราะบางสิ่งบางอย่างหลวงพ่อเองก็จะต้องบอกกล่าวแนะนําอาจจะมีหนักบ้างเบาบ้างแต่ในเจตนารมของหลวงพ่อแล้วหลวงพ่อมีเจตนาดีเห็นว่าพวกเราท่านทั้งหลายทั้ง35ชีวิตเนี่ยทั้ง34ชีวิตเนี่ยในที่เข้ามาบวชเนี่ย เหมือนกับเป็นส่วนหนึ่งเป็นอวัยวะของหลวงพ่อเป็นแข้งเป็นขาเป็นตีนเป็นมือเออเป็นหูเป็นตาแทนหลวงพ่อเพราะนั้นหลวงพ่อไม่ได้ถือเป็นอย่างอื่นหลวงพ่อรับผิดชอบองค์ไหนที่เข้ามาอยู่แล้วลําบากใจยังไงตกทุกข์ได้ยากอย่างไรสุขภาพร่างกายเป็นอย่างไรอาหารการบริโภคเป็นยังไงปัจจัยสี่เป็นยังไงความเือดร้อน ไม่สบายใจเรียกว่าปัจจัยสีขาดตกปกพ่องไม่ได้รับความสะดวกสบายอย่างไรตามอัตภาพของวัดป่าหลวงพ่อก็พร้อมที่จะยอมรับแะ ร, รับฟังจากหมู่พวกเพื่อนทุกองค์แล้วก็พร้อมกันก็ให้หมู่พวกเพื่อนดูแลกันอีกส่วนหนึ่งทั้ง34องค์เนี่ยนะให้ดูแลกันให้เหมือนกับสมือนกับ เหมือนเอนพี่พี่น้องๆ อ, อยู่ด้วยกันอวัยะวะเดียวกันพึ่งพาอาศัยกันในเมื่อคราวจําเป็นพวกเราจะพึ่งพาอาศัยใครนั่นเมื่อเราไม่พึ่งพาอาศัยกันผู้อยู่ใกล้ชิดกันเพราะฉะนั้นขอให้พวกเรามีความพร้อมเพียงมีความสมัครคีกันในบรรดาเหมือนกับญาติเออเหมือนกับญาติไม่ใช่ญาติธรรมดานะญาติธรรมนะถ้าญาติธรรมดาเนี่ยอาจจะ โมโหโกธาฆ่ากันก็ได้แต่ญาติธรรมฆ่ากันไม่ลงเพราะมีธรรมอยู่ในใจการที่จะคิดก็คิดไปในทางที่ถูกต้องการกระทําสิ่งไหนก็ทําไปในทางที่ถูกต้องการพูดสิ่งไหนออกไปก็พูดในทางที่ถูกต้องอันนั้นแปลว่าผู้มีธรรมในใจถ้าว่าผู้มีกิเลสโลภโกรลงในใจแล้วอันนั้นหาประมาณไม่ได้การพูดการคิดการทําการพูด จะออกนอกรูนอกทางอยู่ บ, บ่อยๆประนันขอให้พวกเราเข้ามาศึกษาธรรมะปฏิบัติเข้ามาศึกษาอยู่ในวัดวาศาสานาอยู่ในวัดหลวงพ่อหลวงพ่ อ, อยังพูดว่าผู้ใดก็ตามพระท่านองค์ใดก็ตามถ้าจะเดินตามแนวแถวของหลวงพ่อแล้วหลวงพ่อเนี่อดทนนะลูกหลานนะพูดอย่างนั้นได้อดทนแต่สมัยเป็นเนรก็อดทนในระดับหนึ่ง จากนั้นมาอยู่กับครูบาอาจารย์ก็ไม่เคยมีที่จะมีเรื่องมีราวในสํานักของครูบาอาจารย์อย่างมาอยู่องค์หลวงตาเหมือนกันมาอยู่ทั้ง14ปีจนถึงกระทันไว้เนื้อเชื่อใจพูดอย่างนั้นได้ทําไมจึงว่าพูดอย่างนั้นขนาดเราออกมาอยู่ข้างนอกท่านก็ยังให้เขียนพินัยกรรมอย่างพวกเราท่านทั้งหลายได้เห็นเห็นไหมการที่จะพ่อ หรือว่าเป็นการที่ครูบาอาจารย์ระดับองค์หลวงตาจะให้พินัยกรรมกับผู้ใดใครผู้หนึ่งไม่ใช่ของให้แบบง่ายๆท่านต้องคิดแล้วคิดอีกมองแล้วมองอีกมองอดีตมองปัจจุบันแล้วก็มองอนาคตท่านจึงได้มอบหมายให้นี่แหละเมื่อท่านมอบหมายความมอบความไว้วางใจกับเราหลวงพ่อก็พร้อมที่จะน้อมรับปฏิบัติอ จัดงานของท่านให้สมเกียรติเป็นทื่อเรื่องรือไปทั่วโลกไปทั่วประเทศอย่างที่พวกเราท่านทั้งหลายได้เห็นมีแต่คนบางกลุ่มบางหมู่บางคณะในความอิจฉาในจิตในใจนั้นก็มีอยู่บ้างแต่โดยมากคนทางนอกที่ได้เห็นแนวทางเขาก็มีแต่ยินดีอนุโมทนาแต่หลวงพ่อเองหลวงพ่อพยายามทำดีที่สุด ไอ้ตรงที่เขานินถาก็บอกมาที่มันตรงไหนอันนี้ก็หลวงพ่อเขาพยายามค้นหาตัวเองเหมือนกันไม่ใช่ว่าเขาพูดขึ้นมาแล้วตัวเองเขาคิดว่าถูกถู ก, ถกตลอดไม่ใช่แต่เราก็พยายามค้นหาความผิดที่เขาที่เขามองเห็นบางทีเราอาจจะมองไม่เห็นตัวของเราอันนี้เราก็พยายามดูเหมือนกันพยายามปรับปรุงแก้ไขตัวของเรานี่แหละ อันนี้ก็คือการที่พ่อแม่ครูบาอาจารย์ระดับองค์หลวงตาที่ท่านให้ใหมอกความไว้วางใจนี่ก็ผมก็เองก็เหมือนกันมาอยู่กับหมู่กับเพื่อนอย่างนี้แหละผมเองกับผมก็มองอีกเพื่อนกันมองหมู่มองเพื่อนทุกองค์ต่อไปภายภาคหน้าจะเป็นอย่างไรความเป็นอยู่ของพวกเราขอให้พวกเราตั้งอกตั้งใจ ประพฤติปฏิบัติธรรมให้ปฏิบัติอยู่ในกรอบของหลักพระธรรมพี่หนหยในเมื่อมาอยู่ด้วยกันาการทะเลาะวะแว้งกันอย่าได้มีถ้าเผื่อเราวันนี้อาหารเราไม่ดีเราก็ไม่ต้องเสียใจบางทีเราอดอาหารเราก็เคยอดมาแล้วาบางทีวันพุ่งนี้เมืเนินี้ก็มีอาหารขึ้นมาให้เราอยู่แล้วเราก็ไม่ต้องเสียใจไม่เฉาจะกินวันเดียว แล้วก็ไม่กินตลอดไม่ฉันไปตลอดไม่อย่างนั้นก็ไม่น่าจะถูกเพราะฉนั้นเรื่องการทะเลาะว่ำแหว่งกันนี่แหละก็คือการแย่งลาบแย่งยศเ อ, อกันนี่แหละเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้อย่าได้อย่าได้มีในวงการของวัดป่าอย่างวัดของหลวงพ่อต้องให้อภัยซึ่งกันและกันหลวงพ่อเองเห็นไหมหลวงพ่อมีอะไรหลวงพ่อกระฉันของดีก็ฉันของไม่ดีก็ฉันฉันแล้วแล้วไป หลวงพ่อไม่ได้ถือว่าเป็นการอยู่การกินเป็นเรื่องใหญ่เพราะเหตุไรเพราะกินแล้วก็ไปถ่ายออกก็จบก็ไม่เห็นมีอะไรวันบางดีบางดีบา ง, บางวันก็อาหารถูกใจหลวงพ่อก็ไม่ได้พูดโอ้โหอาหารอร่อยถูกใจมากหลวงพ่อก็ไม่ได้พูดถ้าอาหารวันนี้โอ้หอาหารวันนี้ไม่ถูกใจไม่อร่อยเลยหลวงพ่อก็ไม่พูดพ่อประทังชีวิตให้เป็นวันๆเท่านั้นเองกินดีขนาดไหนกะ็กินดีเ ถ้ากินเข้าไปแล้วถ้ากินมีทาหารดีๆตลอดไป เ, เดี๋ยวก็ไขมันมันขึ้นมาหมดเส้นเลือดในสมองเป็นอมมาเพิกอมาพาผัดยิ่งตายแล้วอีกต่างหากเพราะฉะนั้นหลวงพ่อเองไม่ได้ถือเรื่องการถูกการกินเป็นเรื่องใหญ่อพอประทังชีวิตตนเองได้มากอา้าแบ่งไปแบ่งคนนั้นแบ่งคนนี้ตัวเองก็ฉันไปบางาการฉันก็พยายามฉันพวกผักพกผลไม้ให้มากอาหารที่มันจะเป็นพิษเป็นภยัย ตามที่หมอเขาบอกเขากล่าวแล้ก็ต้องระวังอีกเพราะฉะนั้นหลวงพ่อจึงไม่ได้ถือว่าอาหารเป็นเรื่องทะเลาะเบาะแวงกันในเรื่องการทะเลาะหลวงพ่อไปอยู่กับครูบาอาจารย์อยู่ในที่กันด่านบางทีก็มีพริกมีผักก็มากับฉันก็ไม่เป็นไรบางทีมีเต้ข้าวเหนียวมาก็ไม่เป็นไรรับได้หมดทุกสถานการณ์เพราะฉะนั้นขอให้พวกเราที่เป็นลูกของหลงพ่อ ลูกศิษย์ของหลวงพ่อเนี่ยต้องมีความอดทนเป็นพื้นฐานนะถ้าพวกเรามีความอดทนเป็นพื้นฐานอยู่ใ น, นสถานที่ใดสบายอกสบายใจทั้งนั้นแหล ะ, อ, ะอย่าไปมองกันในแง่ร้ายให้มองกันในแง่เหตุผลอวันนี้ทำไมองค์นี้ท่านจึงยังไม่พูดทำไมท่านไม่สบายใจเรื่องอะไรบางทีท่านอาจจะมีความทุกข์ในใจ บางสิ่งบางอย่างท่านก็ไม่อยากจะพูดไม่อยากจะมองหน้าใครอีกวันนั้นเพราะเหตุไรเพราะมันมีเรื่องอะไรที่มันอยู่ข้างคาอยู่ในจิตในใจนี่เราก็อาจจะว่าท่านอาจจะมีความไม่สบายใจเรื่องอะไรนอะนี่เราที่จะช่วยท่านได้ย ห, หมูเพื่อนได้ไหมนี่เราคิดในใจนต่อไปเมื่อท่านใจดีเราช่วยถามไอ้วันนั้นทาไมท่านถึงมีความคิดอย่างนั้น มีอะไรไหมจะให้ผมช่วยไหมสิ่งเหล่านี้มันต้องมองกันในแง่เหตุแง่ผลอย่าไปมองกันในในแง่ร้ายไม่ใช่ว่าองค์หนึ่ง เ, เป็นอย่างหนึ่งแล้วก็น่หละอารมณ์ของเราไม่ใช่อารมณ์ของพระหันอารมณ์ของผู้มีกิเลสพ อ, อีนั้นต้องมันมีสูงมีตาม่าลุ่มลุ่มดอนดอนเราต้องมองในแง่เหตุแง่ผลมันถึงจะถูกนะแล้วก็วัดของเราผพ่อเองเคยพูดมา เกือบทุกปีที่หลวงพ่ออยู่องค์หลวงตาหลวงตากับพูดนะพระในวัดของเราจําพรรษาด้วยกันนะอย่าให้มีเรื่องนะถ้าผู้ใดก็ตามถ้ามีเรื่องเกิดขึ้นในพรรษามีการชกต่อยตีกันเราจะให้หนีทั้งคู่ออกไรออกนอกพรรษาเลยถ้าหากว่าองค์ไหนลงมือก่อนองค์นี้ไม่ลงมือไม่ลงมือไม่จะปกป้องตัวเององค์ที่ลงมือก่อนองค์นั้นต้องหนี ตรงนี้ก็ต้องถึกสอบอีกเหมือนกันว่าทําไมองคนั้นถึงต่อยตีท่านเพราะเหตุอะไรท่านไปแย่เขาใช่ไหมเออท่านไปพูดอะไรให้เขาเจ็บใจใช่ไหมถ้าองค์นี้ปถ้าทราบข่าวจากหมู่พวกเพื่อนว่านิสัยไม่ดีองค์นี้ก็ต้องออกหนีพร้อมกันไปอีกเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้ผมอยู่กับองค์หลวงตาหลวงตาเด็ดขาดมากในเรื่องนี้แล้วก็เป็นอย่างนั้นจริงๆด้วยไล่ผมอยู่ที่นั่นเห็นท่านไล่พระนี้ไปหลายคู่เหมือนกัน เพราะนั้นพระเนนที่เข้ามาอยู่ในองค์ท่านจึงอยู่ในความสงบอย่าทะเลาะกันต้องอดทนเราไม่อยู่ด้วยกันโชวฟ้าดินสลายเมื่อไหร่ไม่อยู่ไม่ใช่ว่าจะอยู่ทั้งพบทั้งชาติเมื่อไหร่เพียงสามเดือนอดไม่ได้เหรอทําคนดีทําดีไม่ได้หรอทำให้ทำให้ครูบาอาจารย์หนักไม่หนักใจได้หรอเราต้องทําให้ครูบาอาจารย์คณะหมู่คณะสงฆ์ไม่หนักใจกับเรา เราต้องทำตัวให้เป็นพระที่ดีมีมารยาทที่ดีอยู่ในกรอบของศีลธรรมช่วยการช่วยงานมูพวกเพื่อนสิ่งไหนที่จะเกิดประโยชน์ต่อพุทธศาสนาต่อวัดวาศาสนาพอเราเข้ามาอยู่ที่นี่เข้ามาเข้ามาช่วยกันคนละไม้คนละมือคนโบราณเขายังบอกว่าไปอยู่บ้านคนอื่นเขาถ้าไม่มีอะไรกับปัน้นปั้นดินเหนียวให้ลูกของเขาได้เล่น ก็ยังดีกว่าอยู่เฉยๆนี่ก็เหมือนกันมาอยู่วัดวาศาสนาแม่นี่ก็ไม่ใช่วัดของผมนะเป็นวัดของพระพุทธเจ้าเป็นวัดของพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์พวกเราเข้ามาเป็นสักกัจบุตรพุทธชินโนรสพวกเราเข้ามาบวชแล้วก็ปฏิบัติตนอย่างไรจึงจะถูกต้องจึงจะเป็นธรรมจึงจะเป็นที่ยอมรับเชิดชูบูชาของพี่น้องประชาชน พอเขามาทั้งหลายทั้งปวงเขาไม่ได้มาเห็นว่าพระวัดปา่านาคําน้อยเป็นนักมัดนักมวยแล้วก็หูหน้าเขารบนับถือเลื่อมใสกขาต่อยมวยเก่งจริงจริงเขามาเอาของมาบูชาเขาคงจะไม่คิดอย่างนั้นเขาคิดว่าเออพระครูบาอาจารย์หลวงพ่ออินสอนธรรมะธรรมโมแล้วก็เป็นผู้สอนพระเนนอยู่ในกฎระเบียบเป็นผู้มีศีลหน้าเขาลบหน้านับถือเลื่อมใสเขาจึงได้มาทําบุญทําทาน กับวัดของเราเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้ให้พวกเราคิดคิดดูให้ดีนะ อ, อย่าทำให้อะไรให้เสียหายต่อ ว, วัดวาศาสนาอันนี้ทางนี้ทั้งนั้นผมก็เตือนย้ํากล่าวไว้ใครเข้า ว, วาดเสือไว้นะ เ, เพื่อนบัวทั้งหลายจะได้รู้ว่านี่มันเสือจริงหรือเสือปลอมแต่วันนั้นมาถึงนายคอยรู้ว่าเสือจริงหรือเสือปลอม เ, อเพราะฉะนั้นขอให้พวกเราทุกท่านนะ เขาบวมาในพุทธศาสนาให้ตั้งใจผมไม่มีอะไรถ้าขาดเหลือขาดตกอะไรให้บอกมาบอดพวกอยู่ใกล้เชิดนั่นแหะแล้วบอกพระเวรสาลาก็ได้พระเวรสารามื่อได้ยินอะไรก็ต้องบอกผมนะบอกหลวงพ่อไม่ใช่วเลยเรื่องไปอย่างอื่นจนพอแรงแล้วยังค่อยมามู่หมับเพอเผยจะไล่ออกจากวัดออกเหมือนกันขาดความรับผิดชอบในหมู่ในคณะ เพราะนั้นขอให้พวกเราทุกทุกท่านนะพูดทั้งนี้ทางนั้นการอยู่ด้วยกันต้องเป็นผู้รับผิดชอบร่วมกันด้วยกันปราถนาดีต่อกันเป็นผู้ทั้งอกตั้งใจสร้างบุญสร้างกุศลด้วยกันหาทางพ้นทุกข์ด้วยกัน ส, ะสะ่อแสวงหาธรรมเข้าสู่จิตใจสร้างบุญสร้างกุศลเราเกิดมาทั้งทีชีวิตเราจะยืนยาวไปข้างหน้า สมเดือนให้มีคุณค่าสามเดือนให้เป็นประโยชน์สมเดือนให้มีเป็นชีวิตที่ว่าดีที่สุดในชีวิตของเราเราเกิดต่อไปภายภานาเจ8ดบปปีแต่สมเดือนที่มาอยู่ในวัดวาศาสนาเนี่ยในช่วงปฏิบัติอย่าได้ทำตนให้เสียหายถ้าว่าพวกเราทำตนไม่ดีนะ พอลาสิขาแล้วไปอยู่ณสถานที่ใดเราก็ต้องคิดโอ้เราไปอยู่กับครูบาอาจารย์ท่านก็บอกกล่าวแนะนาดีแต่เราเพิงจะไป่อเรื่องทำเรื่องให้จนย ung, ุ่งเหยิงวุ่นวายภายในวัด เ, เราคิดขึ้นมาเมื่อไรเราก็ไม่สบายใ จ, จตลอดถึงวันตายของพวกเราพูนง่ายๆเพราะนั้นขอให้พวกเราทุกท่านนะให้ประกอบคุณงามความดีกับตัวเองให้คิดเมื่อไร เราก็ภาคภูมิใจในชีวิตในการเป็นชีวิตนักบวชของพวกเราเพราะว่าพวกเราประกอบแต่คุณงามความดีเป็นพระที่ดีนะรวนเรื่องจิตภาวนาอย่างอื่นเราค่อยศึกษาไปเ ร, เรื่อยปฏิบัติไปเรื่อยๆแต่ผมเองก็อยากจะให้พวกเราท่านทั้งหลายในสามเดือนเราจะเอาอะไรเป็นหลัก ในการประพฤติปฏิบัติให้ตั้งจิตอธิษฐานในจิตในใจของพวกเราเราจะปฏิบัติต้นอย่างไรที่เราปฏิบัติได้ไหวพระทุกวันเดินโยงกรมวันละกี่ชั่วโมงนั่งภาวนาวันละกี่ชั่วโมงแล้วเราจะทํากิ จ, จวัดขอวัดโดยไม่ให้ขาดเราจะทําอะไรให้เกิดประโยชน์และก็พร้อมกันก็ให้ตั้งทีมกันแบ่งแบ่งหน้าที่กัน อย่างวันเสาร์วันอาทิตย์แขกคนเข้ามาเกี่ยวข้องใครเป็นผู้อยู่ศาลาวันพระวันอาทิตย์เดือนนี้ใครเป็นผู้ดูแลอยู่ใกล้ชิดหรือว่าอยู่ดูแลหลวงพ่อเแบบีเวลาแขกคนมานั่งซื้อบัางเอ็มพีสามบังอะไรจะแจกจัดทายญาติโยมต้องให้พูดกันจากนั้นก็ดูว่าห้องน้ำห้องถ่าขัางนอกข้างใน ตรงไหนที่มันจะเป็นยังไงเขียนเป็นตัวหนังสือเลยเป็นลายลักษณ์อักษรเลยเราจะได้รู้ว่าเดือนนี้เป็นหน้าที่ของใครอ า, อาทิตย์นี้เป็นหน้าที่ของใคราจากนั้นเราก็จะได้แบ่งหน้าที่กันให้ถูกต้อง เ, อเมื่อนั้นก็เราจะได้ทำเวลาแขกคนม า, าพักพาวัดว า, าศาสนาใครเป็นคนดูกุแลกุฏิหลังไหนรับผิดชอบยังไง พระผู้ใหญ่ก็ต้องไปตรวจดูด้วยไม่ใช่ปล่อยปาะละเลยนะ อ, อดูไปดูด้วยเมื่อเขาจัดเสร็จเรียบร้อยเป็นยังไงถูกต้องไหมดีไหมขาดไหมขาดเลือขาตกอะไรสิ่งเหล่านี้อยากจะให้พวกเราอยู่ด้วยกันรับผิด ช, ชอบเหมือนกับลูกลูกของหลวงพ่อทุกองค์รับผิด ช, ชอบร่วมกันคือลูกต้องรับผิด ช, ชอบในครอบครัวหลวงพ่อเองก็ได้สบายใจเพราะเหตุไรหลวงพ่อกับมีพาร ภาระหน้าที่อย่างเว้นไมนะ่น่ะวันนี้ไม่รู้กี่พักกี่พวกกี่หมู่เข้ามาหลวงพ่อสมัครใจไหมหลวงพ่อเหนื่อยเต็มทนแต่ถึงยังไงก็ต้องได้รับเพราะว่าเขามาเกี่ยวข้องถ้าเราเไม่ออกต้อนรับขับสู้เหมือนกับเราพยองพองตัวเราเนี่ยเป็นพระสาธารณะเป็นพระเป็นพระของพี่น้องประชาชนทุกหมู่เหล่าพอที่จะรับได้เป็นเทศการอย่างนี้เราก็ควรจะรับ ถ้ารับพวกวีทุกวันก็คงไม่ไหวเหมือนกันแต่ถึงยังไงอันนี้หลวงพ่อถ้าจะว่าไปหลวงพ่อหนักไหมหลวงพ่อยอมรับ ว, ว่าหนักนะพระลูกพระหลานทั้งหลายเพราะนั้นพวกเราท่านทั้งหลายอยู่ในหน้าที่ไหนก็ขอให้ช่วยๆกันดูถึงแคกคนมาเราก็ช่วยดูกันห้องน้ำห้องถ่าททำความสะอาดใครเป็นหัวหน้าแต่ละค้างแต่ละคนในห้องไหนต่อห้องไหนดูปัดวาดทาความสะอาดขาดหลืออะไรในวัด การทำความสะอาดสระั้างนอกข้างในสิ่งเหล่านี้อยากจะให้พวกเราทุกๆท่านนะช่วยกันคิดวางแผนแต่าทาหน้าที่ทำมาลุกมะตุ้มบางที่อาจจะขาดตกบกพร่องก็ได้แต่ถ้าเราแบ่งหน้าที่เราจะรู้จากหน้าที่พอถึง7วันแล้วเราก็ถอยไปให้องค์อื่นทําหน้าที่แทนต่อไปนี่แหละให้พวกเราท่านทั้งหลาย สรุปแล้วก็คือให้แบง่งหน้าที่กันรับผิดชอบนะถ้าว่าพวกเราไม่รู้จักแบ่งกันนะหนักนะหนักแล้วก็เผลอเผอทะเลาะ ก, กันอีกต่างหากนะผมไม่อยากจะให้เป็นอย่างนั้นนะเพราะนั้นขอให้พวกเราท่านทั้งหลายมีผู้น้อยผู้ใหญ่เป็นผู้ผ่านขราชการมาก็มีเป็นผู้ใหญ่พันษาผ่านไปมากมายแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเราต้องฟัง ไม่ใช่พรรษาสูงขึ้นมาแล้วก็จะรู้หมดทุกอย่างรู้เท่าที่รู้นะมันสิ่งที่มันโง่มันก็มีอยู่ก็ต้องอาศัยผู้ที่รู้แล้วก็ปรึกษาปาลบกันพี่ได้สองน้องได้หนึ่งการอยู่ด้วยกันร่มเย็นเป็นสุขนะแต่ถ้าหาว่าทิฏฐิมาณนะัันทุลังไข่ดันทุลังวัดเราเนะนี่ยแหะอีกสักวันหนึ่งความแตกแยกสามกีจะเกิดขึ้นใน หมู่ในญาติของพวกเรานะแล้วก็ต่อไปนี่ก็ก่อนที่จะอธิษฐานพรรษาพวกเราก็จะจังนาโมสามจบซะก่อนนาโมตัสสาจากนั้นก็พูดอธิษฐานพรรษาพร้อมกันอิมัดสำมิงอาวาเซอิมังเตมาซังวัดซังอุเปมะสามครั้งแล้วก็เมื่อเข้าพรรษาแล้ว เวลาเราจะออกไปปัดกวาดข้างนอกนะถ้ายังไม่สว่างอย่าออกไปอย่าให้ออกพ้นกำแพงเออให้สว่างซะก่อนเป็นวันใหม่ซะก่อนเพราะเราอธิษฐานรรษาอิมัตซ์มิ่งอาวาเซ่อาวาเซ่คืออาวาสที่มีกำแพงล้อมรอบเนี่ยนะอยู่ในอาวาสอาเวซิมังเตมาซังมาซังอุเปมาเพราะฉะนั้นขอให้พวกเราอยู่ในอาวาสจนถึงสว่างจึงจะออกนอก อาวาาได้ทาออกไปก็ต้องสัตหะสัตหะกรณียะการสัตหามีกี่ยางเราก็ต้องศึกษาศึกษาดูกิจนิมนเขานิมนมาเราก็ไปได้เพราะกิจนิมนพ่อแม่เจ็บไข้ได้ป่วยเราก็ไปดูแลได้พรพ่อแม่เจ็บไข้ได้กครูบาอาจารย์เจ็บไข้ได้ป่วยเราก็ไปดูแลครูบาอาจารย์ได้หรือเพื่อนสหธรรมิก มีจิตใจปั่นปว่วนอยากจะลาศิกขาเราก็ไปห้ามปรามสัตหะไปได้หรือว่าลังคาสาราของเราล่วง อ, ออกไปหาวัสถุมาเพื่อจะเจือจุนลังคาสาราของเราสัตหะไปออกไปก็ได้เช่งเรานี้คือเราให้ให้าให้ศึกษาและให้ศึกษาดาูมีข้อแม้อะไรบ้างที่สัตหะรณิยะมันอยู่ในอยู่ในภพิ น, นทั้งหมดนะ ในอยู่ในพระพิณายแต่มันแปลกอยู่อย่างหนึ่งนะพวกท่านทั้งหลายถ้าหาว่าพวกเราป่วยองค์ไหนก็ก็ตามป่วยป่วยและสั ต, ตะหะไปหาหมอไม่ได้นะในพระพิณายไม่มีผมคิดว่าสมัยนั้นคงจะไม่ยังไม่มีโรงพยาบาลนะยังไม่มีโรงพยาบาลท่านก็เลยไม่มีพระพิณายคอนี้แต่ถึงยังไงถ้าเจ็บไข้ได้ป่วยนะขอให้เราก็บอกให้ทั้งหมอหรือศรัทธาญาติโยม ผู้ที่เกี่ยวข้องนั่นนะ่ะเออนิมนต์ครูบาอาจารย์ไปนอนโรงพยาบาลอาการหนักแล้วเนี่ย เ, ออเพื่อได้สัตตาขออนิมนต์ครูบาอาจารย์ไปนอนโรงพยาบาลเด้อเราก็รับนิมนต์รับนิมนต์โยมทีนิมนต์ไปพักนอนโรงพยาบาลอันนี้แปลว่าเป็นสัตยาได้เพราะโยมนิมนต์โยมนิมนต์ไปนอนไปพักที่โรงพยาบาลแต่ถ้าจะไปแบบดุด่ยๆไปเลยเนี่ย โดยที่ไม่เขาไม่ได้นิมนต์เราไปนอนค้างเฉยพันสาขาดนะสิ่งเหล่านี้ก็ให้ใหพวกเราศึกษาดูนะให้อ่านให้เข้าใจใเกี่ยวกับพิ น, นัยในจุดนี้นะโอ้นะเห็นไหมไอ้ฉนีกับไอ้ลิงมันทะเลาะกันไอ้ฉนีมันก็โมโหไอห้ลิงลิงก็โมโหไอห้ชนีเออเอาไปมาพระกั โมโหวยพระเหมือนกันนะเห็นหมาชนี้กับเริงอย่างทะเลาะกันเห็นไหมเออเมเราค่อยว่านะ้ำ โ, โมทีหลังค่อยอธิษฐานคนเดียวนะเดี๋ยวหลวงพ่อกับคณะสงฆ์อธิษฐานก่อนนะเอา้านั่งกระยงประนมมือ